ที่มาเข้าคอร์สยังสงสัยอะไรอีกไหมเออดีมาเรียนเอาหลักให้ได้นะคือการพัฒนาคุณภาพของจิตใจเราทิ้งหลักของไตรสิกขาไม่ได้ถ้าทิ้งหลักไตรสิกขาแล้วก็ไม่ใช่ชาวพุทธแทแ้ไตรสิกขาคือเรื่องศีลสิกขาเรื่องจิตตสิกขาเรื่องปัญญาสิกขา เราจะเรียนเรื่องศีลเรียนเรื่องจิตเรียนเรื่องการเจริญปัญญาศีลในเบื้องต้นเนี่ยต้องเจตนางดเว้นการทำบาปอากุศลทางกายทางวาจาไว้ก่อนเบื้องต้นต้องตั้งใจงดเว้นไว้ก่อนต่อมาเรามาฝึกอาศัยสตินี่แหละคอยรู้ทันใจมันทำผิดศีลได้นะเพราะกิเลสมันครอบงําจิตให้เราคอยรู้ทันจิตไหมกิเลสอะไรเกิดขึ้นเรารู้ทันกิเลสอะไรเกิดรู้ทันนะ กิเลสจะครอบงาไม่ได้อย่างโทสะเกิดเนี่ยรู้ทันมันโทสะครอบงาจิตไม่ได้มันไม่ฆ่าใครไม่ตีใครไม่ด่าใครไม่เบียดเบียนใครราคาเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันไม่ครอบงําจิตเราก็ไม่ไปรักใครขโมยใครไม่เป็นชู้กับใครไม่ปลิ้นปล้นตลบแสแลงล่อลวงเขาอะไรเนี่ยกิเลสทั้งนั้นเลยนะทนทําผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงําจิตได้ กิเลสเล็กกิเลสน้อยก็อย่าไปไว้ใจมันอย่ามีข้อยกเว้นกับกิเลสบางคนเห็นว่ากิเลสเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรแรกๆไม่เป็นไรนะตัวเล็กไม่เป็นไรต่อไปตัวกลางๆก็ไม่เป็นไรเหมือนกันสุดท้ายตัวใหญ่ๆก็ไม่เป็นไรอย่างตอนเด็กๆหัดรังแกสัตว์ตัวเล็กๆการังแกสัตว์ตัวใหญ่ได้มากขึ้นมากขึ้นท้ายมันก็แกล้งคนได้ฆ่าคนได้ใจมันเคยชินที่จะเบียดเบียน ให้เรามีสตินะรักษาจิตไว้ให้ดีอย่าให้กิเลสครอบงําจิตได้เขารู้ทันมันเข้าไปะนะศีลมันจะเกิดขึ้นพอจิตเรามีศีลเนี่ยสมาธิจะเกิดง่ายคนที่ไม่มีศีลเนี่ยจะฟุ้งซ่านฟุ้งไปในกามฟุ้งไปในความไม่พอใจนะกามและปฏิฆะมายั่วจิตให้ฟุ้งไปเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังอยากได้กลิน่นอยากได้รสอะไรนะี่ถ้าเรามีสติคุ้มครองจิตอยู่กิเลส มันครอบงําจิตไม่ได้กิเลสหยาบหยาบนะครอบงําไม่ได้สติปัญญาเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะถ้าไปกิเลสอย่างกลางก็ครอบงําจิตไม่ได้กิเลสอย่างหยาบเนี่ยเอาศีลกั้นไว้ราคาโทสะโมห oh ะแรงๆเกิดขึ้นนะจะทําผิดศีลไม่ทำํำนะตั้งใจงดเว้นไม่ทําทุกวันต้องคิดว่าเราจะรักษาศีลตื่นเช้าขึ้นมาก็คิดว่าวันนี้เราจะอยู่กับศีลกลางวันก่อนจะกินข้าวตั้งใจรักษาศีลไม่ต้องอาราธนาหรอกตั้งใจไว้ ก่อนจะนอนก็ตั้งใจรักษาศีลไว้เผื่อว่านอนแล้วไม่ตื่นจะได้ตายไปกับศีลอย่าดูถูกนะเรื่องสำคัญมากเลยพอเรามีศีลใจมันจะมีสมาธิง่ายถึงทำสมาธิอะไรไม่เป็นนะแค่เราคิดถึงศีลที่เรารักษาไว้ดีแล้วเรียกว่าศีลานุสติแค่คิดเท่านี้จิตสงบได้สมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่ง นะท่านบวชแล้วภาวนาไม่ขึ้นเลยทำไงก็ไม่สาเร็จนะพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็ไม่เข้าใจปฏิบัติไม่ได้ล้มลุกคลุกครานอยู่นั้นวันหนึ่งท่านเสียใจเต็มทีแล้วรู้สึกรุ่นเดียวกันเขาเป็นพระอระหันต์ไปหมดแล้วเหลือท่านอยู่องค์เดียวนะานเอามีดโกนมาปาดคอตัวเองเลยฆ่าตัวตายดีกว่าเสร็จแล้วท่านก็นึกนะว่าเอที่เราว่าบวชมาไม่ได้อะไรเลยนะ่จริงไหม ก่อนจะตายนะนึกขึ้นได้ว่าตลอดเวลาที่บวชมาเนี่ยรักษาศีลไม่เคยดั่งพลอยเลยตั้งใจเต็มที่ในการรักษาศีลพอท่านคิดว่าท่าน ต, ตั้งใจเต็มที่ในการรักษาศีล น, นะสมาธิของท่านเกิดเลยใจิตใจมีความสุขเมื่อวานหลวงพ่อสอนแล้วนะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิแค่เรารักษาศีลมาได้ดีนะรักษาต่อเนื่องมาช่วงหนึ่งแค่คิดถึงศีลที่เรารักษาแล้วสมาธิยังเกิดเลยในพระองค์นี้ห้ามเรียนแบบนะ มีองค์เดียวที่ทําได้แบบนี้จิตมีสมาธินะท่านแยกธาตุแยกขันได้เลยนะท่านเป็นรูุพระอราหันต์ในขณะที่สิ้นชีวิตไปมีองค์เดียวควจริงมีอีกองหนึ่งเหมือนกันฆ่าตัวตายแต่ไม่ได้นึกถึงศีลเงั้นถ้าเรามีศีล น, นะสมาธิเกิดง่ายคนมีศีลจิตใจมันจะเรียบร้อยเพราะว่ามันจัดระเบียบ ก, กายวาจาไว้แล้ว กายวาจาได้รับการจัดระเบียบให้ดีนะจิตใจมันก็สงบง่ายนะอย่างคนไม่มีศีลคิดจะฆ่าเขาคิดจะทําลายเขาเนี่ยจิตใจฟุง้งซ่านคิดจะรักเขาขโมยเขาเนี่ยจิตใจฟุง้งนซะ่านคนมีศีลมันก็มีธรรมไม่ใช่มีศีลอย่างเดียวนะถ้ามีศีลจริ ง, รงๆมันจะมีธรรมด้วยอย่างไม่คิดเบียดเบียนใครนะจิตใจที่เมตตากรุณาก็จะเกิดขึ้นด้วยนะแค่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะ ความเมตตากรุณ า, าก็เกิดง่ายนะแค่ไม่รักทรัพนะอาจจะเกิดความเสียสละรู้จักให้ทานนะไม่ประพฤติผิดในกามนะจะรู้จักสันโดษในกามเนะี่ยมีข้อ ด, ดีไม่ยอมผิดศีลมุสาวาทนะจะได้ธรรมะคือสัจจะขึ้นมานะมีศีลก็มีธรรมนะนะได้ทําได้ของดีขึ้นมาด้วยใจิตใจจะได้ความสงบได้ความสุขขึ้นมา จิตใจจะสงบง่ายคนทุศีลจิตใจไม่สงบหรอกมัน เ, เป็นวุ่นวายมันคิดอย่างเดียวว่าจะทําร้ายคนอื่นยังไงจะขโมยคนอื่นยังไงเนี่ยถ้าเรามีศีลเป็นพื้นฐานจําเป็นอย่างยิ่งเลยมนุษย์ยุคนี้เร็วซามต่าช้าสุดขีดแล้วเพราะไม่มีศีลมีทําเลยนะเร็วมากเลยสุดๆเลยโกโหกหลอกลวงกันเต็มบ้านเต็มเมืองนะเอาผลประโยชน์อย่างเดียวเลยนี่พวกเราอย่าเอาอย่างเขาเขาไม่มีความสุขหรอกเขาอาจจะรวยนะแต่เขาไม่มีความสุขหรอก นี่เราไม่รวยไม่เป็นไรนะแต่เรามีศีลไเรารวยด้วยศีลด้วยธรรมดีกว่าเราได้รับสาระแก่นสารที่แท้จริงในชีวิตของเราเองนนี่พอมีศีลแล้วเราจะมาเรียนบทเรียนที่สองนะบทเรียนที่สองชื่อจิตตสิกขาต้องเรียนเรื่องจิตใครจะบอกว่าไม่เอาดูจิตไม่อยากเรียนเรื่องจิตก็ปล่อยเข้าไปพวกที่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าต้องเรียนเรื่องจิตพราะบทเรียนที่สองของชาวพุทธชื่อจิตตสิกขา ต้องเรียนเรื่องจิตต้องแยกให้ออกว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลจิตชนิดไหนเป็นอกุศลไม่เหมือนกันนะส่วนใหญ่นะมีจิตอกุศลเอาจิตอกุศลไปเจริญวิปัสสนามเป็นไปไม่ได้จิตไม่มีคุณภาพนะอย่างจิตที่เป็นอกุศลนะมันจะหนักหนั ก, นกแน่นๆ่นแข็งแข็งซึมซึมทื่อนะจิตที่เป็นกุศลมีลหูตามีความเบามีมุทุตามีความนุ่มนวลอ่อนโยน มีปาคุณตาคล่องแคล่วไม่ใช่ซึมซึ้บือ่อยู่ทั้งวันทั้งคืนนะมีกรรมัญญตาควรแกการงานเห็นไหมไม่ใช่จิตขี้เกลียดขี้คล้านไม่ยอมรับรู้อะไรสักอย่างเดียวประคองจิตให้นิ่งให้ว่างแล้วเพลินไปอย่างนั้นนะนั่นไม่ใช่จิตของดีของพิเศษอะไรจิตต้องคล่องแคล่วในการทํางานทําอะไรจิตทําอะไรจิตมีหน้าที่รู้อารมณ์นะเนั้นะจิตรู้อารมณ์ไม่ใช่ฝึกให้จิตไม่รู้อารมณ์อะไรนะเนี่ยต้องฝึก จิตต้องมีความซื่อตรงเรียกอุชุกตาซื่อตรงในการรับรู้นะไม่เข้าไปแทรกแซงถ้ายังอยากแทรกแซงยินดียินร้ายขึ้นมาไม่ใช่จิตที่ไปกุศลลนะงั้นเรามาดูที่จิตที่ใจของเรามาเรียนรู้เรียนรู้จิตในใช้วิธีสังเกตเอานะสังเกตเอาจิตใจของเราแต่ละวันแต่ละเวลาไม่เคยเหมือนกันแรกๆหัดดูเป็นวันๆก่อนนะ วันนี้ตื่นขึ้นมาก็สดชื่นแล้ววันนี้เป็นวันที่แจ่มใสอีกวันหนึ่งเป็นวันที่เสงอีกวันหนึ่งหงุดหงิดทั้งวันเลยหัดดูอย่างนี้ก่อนหัดดูเป็นวันวันดูเป็นวันวันได้แล้วก็มาดูเป็นเวลาวันเดียวกันนี้แหละเช้าสายบ่ายเย็นตอนกลางคืนจิตไม่เหมือนกันดูเป็นเวลาต่อไปชานาญขึ้นดูเป็นขณะ ขณะที่ตามองเห็นจิตเป็นอย่างหนึ่งขณะที่หูได้ยินเสียงจิตเป็นอีกอย่างหนึ่งจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่งจิตเป็นอีกอย่างหนึ่งนะนี่ดูความเปลี่ยนแปลงดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปหัดรู้หัดดูไปเรื่อยนะค่อยๆสังเกตไปเรื่อยแต่ไปก็แยกออกจิตที่เป็นกุศลมันเป็นยังไงจิตที่เป็นอกุศลมันเป็นยังไงจิตที่เป็นอกุศลก็มีความโลภความโกรธความหลงแทรกอยู่ แรกๆก็จะเห็นแต่ว่ากิเลสหยาบๆถึงจะรู้กิเลสละเอียดไม่รู้หัดรู้หัดดูบ่อยๆต่อไปกิเลสละเอียดเกิดขึ้นก็เห็นอย่างแต่เดิมต้องโกรธแรงๆถึงเห็นต่อมาหัดรู้หัดดูบ่อยๆขัดใจเล็กๆก็เห็นตอนนี้ใครเห็นความขัดใจเล็กๆบ้างยกมือซิมีไหม <S <S 2> <S 2> เออดีนะดีจะไม่ตกนรกนะเพราะว่าเรารู้ทันโทสะแล้วถ้ารู้ไม่ทันโทสะนะี่ตกนรกนะ <S <S 2> <S 2> แต่เดิมต้องโลภแรงๆนะ ต้องโลภแรงๆอยากได้อยา่างรุนแรงถึงจะเห็นเดี๋ยวนี้ใจอยากได้นิดหน่อยก็เห็นล้ะอย่างอากาศร้อนจัดๆนะลมโชยมาเย็นสบายเกิดความยินดีพอใจนี่ราคะแทรกแล้วนะยินดีพอใจในความสุขลมมันโชยมาตอนนี้ใครเห็นลมโชยแล้วเห็นราคะบ้างมีไหมยกมือซินี่น้อยกว่าโทสะนะแต่ก็ยังเยอะอยู่โมหะโมหะ โมหะนี่มีความฟุ้งซ่านกับความสงสัยเป็นตัวหลักนะความฟุ้งซ่านเวลาฟุ้งซ่านใครรู้จักฟุ้งซ่านแต่เดิมต้องฟุ้งแรงๆถึงรู้นะต่อมาเนี่ยใจเคลื่อนไปนิดเดียวก็เห็นแล้วใจไหลออกไปนิดเดียวก็เห็นล้เช่นเวลาจะดูอะไรใจก็เคลื่อนไปดูเวลาฟังอะไรใจก็เคลื่อนไปฟังมันไม่ตั้งมั่นนะมันไหลไปมันฟุ้งซ่านมันเคลื่อนตอนนี้ใครเห็นจิตที่เคลื่อนได้บ้างยกมือสิโอ้ก็ยังเยอะอยู่นะ แต่ว่าเก่งเข้าขั้นแล้วนะหัดดูไปที่แรกจะเห็นของหยาบก่อนประมาณนั้นรู้ของละเอียดขึ้นนะถ้าจิตมีราคะมีโทสะมีโมหะอยู่แล้วก็จิตเป็นอกุศลถ้าจิตไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะจิตมันจะเบามันจะนุ่มมันจะสบายมันโปร่งมันโล่งนะ มันปราดเปรียวว่างไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อนะนี่หัดรู้จักไปเรืยส่วนใหญ่เวลาหัดทําสมาธินึกออกไหมสมัยก่อนที่พวกเราหัดปฏิบัติทันทีที่ลงมือปฏิบัติจิตแน่นๆเลยรู้สึกไหมพอลงมือปฏิบัติเ <c oughs> นะี่ยเอาเลยนะอากูศลชัดๆเลยนะคิดว่าจะเจริญวิปัสสนาเหรอจิตเป็นอากูศลชัดๆเลยนะ งั้นเราต้องเรียนเรื่องจิตให้ชํานาญนะแยกให้ออกว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลชนิดไหนเป็นอกุศลไม่งั้นนะพอคิดถึงการปฏิบัติทีไรนะอกุศลเกิดทุกทีเลยเกิดตัวไหนตัวไหนเกิดก่อนือ hmm? โลภะเกิดก่อนก็เก่งเหมือนกันจริงจรงโมหะเกิดก่อนโง่ก่อนถ้าโ ง, ง่ะนะก็อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้ อยากรู้ให้ชัดอยากรู้ตลอดเวลาโลภ้าเกิดไหยเป็นนั่งจ้องไหมจ้องแล้วมันไม่ค่อยยอมอย่างที่เป็นอย่างที่อยากนะโทรศัพท์เขเกิดเลยทันทีที่จ้องรู้สึกไหมทันทีที่จ้องลงไปแน่นขึ้นมาแนละรู้สึกไหมจิตที่แน่นๆเป็นอกุศลจิต น, นะเพราะนั้นทันทีที่ลงมือปฏิบัตินะกําหนดปุ๊บแน่นปั๊บเนี่ยนั่นแหละอกุศลเกิดละภานาผิดละนะ แทนที่จะภาวนานแล้วเกิดกุศลนะกลายเป็นภาวนานได้อักุศลนะงั้นต้องระมัดระวังนะต้องเรียนให้ออกว่าอันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลบทเรียนเกี่ยวกับจิตสิกขาไม่ได้จบแค่ว่าอันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอักุศลยังลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งในบรรดาจิตที่เป็นกุศล น, นั้นเนีมี2ชนิดกุศลที่สงบพักผ่อนอยู่เฉยๆกับกุศลที่ใช้เจริญปัญญาไม่เหมือนกันนะ จิตที่มีกุศลแบบสงบพักผ่อนสบายนะจิตเป็นอยู่ในอารมณ์ที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างหนึ่งอย่างเวลาเราทําบุญใส่บาทรู้สึกไหมมีความสุขรู้สึกไหมนะจิตเป็นกุศลนะแต่กุศลอย่างนี้ไม่เจริญปัญญานะเป็นกุศลเฉยๆทําบุญทําความดีอะไรเนี้ยเสียสละนะปลื้มใจนะแต่ยังไม่ถึงขั้นเจริญปัญญากุศลที่เจริญปัญญาได้นะจิตที่จะเจริญปัญญาได้นะต้องตั้งมั่น ต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถอนตัวออกจากปรากฏการ์ทั้งหลายท้งรูปธรรมนามธรรมาเห็นรูปธรรมแสดงละครเห็นนามธรรมาแสดงละครจิตถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเห็นมันแสดงทั้งวันเลยในร่างกายเรามีตัวละครอยู่28ตัวนะมีรูปมันมี28ปรูปนะแต่รูปจริงๆมี18บแปรูปนะรูปเทียมๆรูปไม่จริงมีอีก10รูป นำมาทำทั้งหลายเนี่ยมีจิตหนึ่งจิตมีหนึ่งจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะเจตสิกอีก52เจตสิกห้าสอย่างเนี่ยนะแยกเป็นเวทนาซะหนึ่งนะสัญญาอีกหนึ่งอีก50เป็นตัวสังขารนะเนี่ยตัวละครนะตัวละครโลงใหญ่เลยล่นะมีจิตมีเจตสิกมีรูปนะจิตถ้าแยกออกไปอีกมีจิตอีกเยอะแยะเลยมีอีก แปดสิเอ็ดวงพวกเราไม่มี89ดสิบเกาดวงนะเราไ ม, ไม่เคยมีเราไม่มีโลกุตตระจิตอีก8ดวงนะถ้าคนไหนเป็นพระริยะก็เคยมีโลกุตตระจิตนะถ้าเป็นพระอราหันต์เนี่ยโนะพลจิตเกิดขึ้นนะก็เป็นโลกุตตระได้นะแต่อย่างปุถุชนนี่ไม่มีไม่เคยเห็นถ้าคนทําฌานไม่ได้นะจำนวนจิตที่มียิ่งลดลงอีกนะอย่างพวกเราเนี่ยเป็นจิตอยู่ในกามจิตวนเวียนอยู่ในกา ม, มาวาจรภูมินะ เราดูจิตเท่าที่เรามีจิตที่เรามีนะเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลเนี่ฮัดดูไปเท่าที่มีนะไม่ต้องอุตรีไปดูว่าจิตของพรอมเป็นแบบไหนเราต้องเรียนแบบไม่จําเป็นเลยนะไม่จําเป็นเราดูของจริงในตัวเองรวมๆแล้วสภาวาธรรมทั้งหมดนะที่จะเรียนจริงๆอนะ่ะมีเจ็ดสิบสองตัวนะเป็นนิพพานสัตัวหนึ่งนะเป็นจิตสักตัวหนึ่งนะอีกเจ็ดสิตัวเนี่เป็นทั้งรูปทั้งนามนะ รูปนามแท้ๆเราไม่ต้องเรียนเยอะขนาดนั้นเราเรียนเท่าที่เรามีเรียนเท่าที่เรามีหัดดูของจริงนะฮะดูไปเรื่อยดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตที่เป็นกลางนะเนี่ยจิตที่เป็นกุศลชนิดที่มันตั้งมั่นมันเป็นกลางแล้วจิตที่เป็นกุศลที่ใช้เดินปัญญาได้จริงเนี่ยต้องเป็นกุศลที่มีกําลังกล้าจิตที่มีกุศลนะยังมีสองชนิดนะชนิดที่หนึ่งมีกําลังอ่อนเอาไปทํำวิปัสสนาไม่ได้จริงหรอก นนี้ที่2มีกำลังกล้าต้องมีปัญญาด้วยนะจิตที่มีกุศลก็ยังมีอีกสองพวกพวกที่มีปัญญากับพวกไม่มีปัญญาพวกที่มีปัญญากับไม่มีปัญญายังแยกได้อีกนะแยกเป็นพวกที่มีกำลังแก่กล้ากับพวกกำลังไม่แก่กล้าอย่างพวกมีปัญญาเนี่ยปัญญาอ่อนๆก็มีนะแต่ไม่ใช่ปัญญาอ่อนอย่างโลกโลกนะหมายถึงกำลังของปัญญาเนี่ยไม่แก่กล้ากับพวกที่กาลังแกแก่กล้า จิตที่เป็นกุศลที่มีกําลังกล้าเนี่ยเป็นจิตที่เกิดอัตโนมัติเกิดได้เองเรียกว่าอาศังขาริกังเกิดเองนะจิตที่ต้องน้อมนําให้เกิดกุศลเนี่ยมีกําลังอ่อนนะเรียกสสังขาริกังนะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตํำรับตำลานะต้องศึกษารู้เองไม่ได้หรอกแต่ทั่งพระอรหันต์ก็ไม่รู้หมดหรอกนะเพราะว่าไม่ใช่ภูมิปัญญา ที่จะรู้ได้ทั่วถึงขนาดพระพุทธเจ้าขนาดนั้นนั่นเราอย่าดูถูกตำรับตำลานะเป็นนักปฏิบัติอย่าดูถูกปริยัติดูของจริงนะดูของจริงลงไปเรามาฝึกจนจิตที่เป็นกุศลเกิดอัตโนมัติเมื่อวานสอนแล้วนะเห็นไหมทำยังไงสติอัตโนมัติจะเกิดทําไงสมาธิอัตโนมัติจะเกิดทําไงปัญญาอัตโนมัติจะเกิดนะเมื่อวานสอนแล้วใครยังไม่ได้ฟังเมื่อวานนี้มีไหมไม่มีแล้วจะได้ไม่ต้องเล่า โอมีเหรอมีเยอะไปฟังซีเดียวก็แล้วกันเนอะอยากให้สติเกิดนะสั่งให้เกิดไม่ได้สติเป็นอนัตตาต้องทําเหตุของสตนะิเหตุใกล้ให้เกิดสติคือการที่จิตจําสภาวะได้แม่นเรียกว่าทีระสัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติจิตจะจําสภาวะได้แม่นต้องเห็นสภาวะบ่อยๆเพราะฉะนั้นหัดรู้สภาวะไปบางคนมันบอกหลวงพ่อสอนผิด น, นะเริ่มต้นบอกเฮียหัดดูสภาวะได้ยังไง ไอ้ไม่ดูสภาวะไม่รู้จักสภาวะขึ้นมิปัสนาไม่ได้นะอย่างไปนั่งสงบใจแล้วก็ไปคิดพิจารณาร่างกายไม่เคยเห็นสภาวะของรูปนามเลยไม่ขึ้นมิปัสนาหรอกนะได้แต่สมถะนะเรียนแล้วเรียนให้ดีนะไม่งั้นมั่วซั่วนะงั้นต้องหัดรู้สภาวะนะการที่เราหัดรู้สภาวะบ่อยๆนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกสติอัตโนมัติจะเกิดถึงจุดหนึ่งนะไม่ได้เจตนาจะรู้สึกมันจะรู้สึกขึ้นเอง อะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตนี้เดียวสติระลึกขึ้นได้เองแล้วว่ามีความแปลกปลอมเกิดขึ้นไม่ได้เจตนาดูถ้าเจตนาดูจิตจะเกิดอะไรขึ้นจะว่างๆไม่มีอะไรให้ดูนะหายไปหมดเลยเพราะฉั้นดูจิตนี่เจตนาดูไม่ได้นะจงใจดูปุ๊บหายหมดเลยว่างไปหมดเลยเจตนาดูกายอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนกันแหละเจตนาดูกายก็เพ่งกายเจตนาดูจิตก็เพ่งจิตนะ แต่เพ่งกายเนี่ยนะกายยังกระดุกกระเดกได้นะแต่จิตจะทื่อๆจะกินน้ํำสักแก้วหนึ่งนะขยับเพ่งไปตลอดเวลาจนตายวายไปแล้วยังไม่ได้กินน้ําเลยนะถ้าดูจิตเนี่ยนะมันจะไม่มีความเคลื่อนไหวให้ดูดูกายถ้าเพ่งอยู่เนะี่ยยังเห็นความเคลื่อนไหวของกายได้เงี้ยอย่างคนที่เดินจงกรมแล้วบอกว่าทำวิปัสสนานะเห็นรูปเคลื่อนไหวอยู่ไม่เห็นจริงหรอกนะยังเพ่งรูปอยู่นะี่ใช้ไม่ได้ เห็นร่างกายหายใจแล้วยังเพ่งร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่ของจริงหรอกนะยังเพ่งอยู่ยังไม่เดินวิปัสนาจริงอ่ะดูท้องพองยุบแลาเพ่งท้องอยู่เนี่ยไม่เดินวิปัสนาจริงหรอกจิตต้องถอนตัวออกมานะเป็นคนดูเห็นรูปมันเคลื่อนไหวนามเป็นคนดูนี่ถึงจะใช้ได้นะรูปมันเคลื่อนไหวจิตเราเป็นคนดู <ภ><ย>เห็นเจตสิกทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นคนดูนะเห็นจิตเกิดดับทางทวาร ท, ท, ทั้งหกจิตก็เป็นคนดูนะมีจิตอีกดวงหนึ่งไปรู้จิตอีกดวงหนึ่งที่ดับไปสดสดร้อนๆ้อน น, ะนี่หัดรู้หัดดูนะหัดรู้บ่อยๆนี่สภาวะเราจะจำสภาวะได้แม่นขึ้นแม่นขึ้นรู้ใหม่ๆบางทีมีสภาวะบางอย่างเกิดขึ้นแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรใครๆเป็นไหมมีอะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าคืออะไร ไม่รู้ชื่อไม่เป็นไรแต่ถ้าจิตจําสภาวะแบบนี้ได้แม่นเช่นมันขยับเนี้ยเคยเห็นไหมมันขยําขยําอยู่กลางหน้าอกได้เนี่ยเอในตํารามีไหมขยําขยําไม่มีตําราเนี่เขาแยกจําแนกเอาไว้เพียงพอสังเขตหรอกจริงๆเยอะแยะเลยนะอาการแยกย่อยออกไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างเยอะแยะไปหมดเลยเคยเห็นไหมมันออกเป็นแฉกแฉกเนี้ยเคยเห็นไหมเวลารู้สึกมันเคี้ยวนะน อ, อย่างนี้ได้นะ เหมือนฟ้าแลบก็มีรู้สึกไหมมีต่างๆนานามีชื่อไหมไม่มีชื่อเรารู้แต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นหายไปรู้เท่านี้พอแล้วนะแต่ว่าถ้าจิตจาสภาวะอย่างนี้ได้นะต่อไปพอสภาวะอย่างนี้เกิดสติเกิดเองมันนึกขึ้นได้เองเราลึกได้เองนี่ต้องฝึกนะหัดรู้สภาวะบ่อยๆไปแล้วสติจะเกิดเองให้คอยรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ส่งออกนอก สมาธิจะเกิดเองแล้วสมาธินั้นะคือมันตรงข้ามกับความฟุ้งซ่านนะถ้าจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาหลวงปู่ดูลย์จะเน้นเรื่องจิตส่งออกนอกจิตส่งออกนอกก็คือจิตที่หลงไปทางทวารทั้งหกหลงไปดูก็เรียกว่าออกนอกหลงไปฟังหลงไปดมกลิน่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายเช่นยุงกัดนี่จิตวิ่งมาอยู่ที่มือนี่ส่วนใหญ่ยังวิ่งแวบมาที่มือก่อนใช่ไหม จังหวะที่สองวิ่งไปที่ไหนวิ่งไปที่ยุงเนี่ยจิตไหลไปฟุ๊บเนี่ยสติเร็วนะสติรู้ทันนะไม่ตียุงหรอกยุงทําความผิดข้อหารักทรัพย์เท่านั้นเองตัดสินประหารชีวิตแรงเกินไปนะอย่างมากก็จําคุกทากทันสั่งสอนไปไปสั่งสอนเนี่ยหัดดูนะหัดรู้ทันจิตที่ไหลไปแล้วจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ จิตไหลไปได้หกทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไหลทางไหนมากที่สุดทางตาไหมทางใจถูกต้องไหลทางใจมากที่สุดหลับตาอยู่จิตไปทางใจได้ไหมปิดหูด้วยอุดจมูกปิดหมดเลยจิตยังไหลทางใจได้จิตไหลทางใจไปทําอะไรส่วนใหญ่หนีไปคิดใช่ไหมอีกพวกหนึ่งหนีไปเพ่ง ไหลไปเพ่งกับไหลไปคิดนะมีสองพวกพวกไหลทั้งพวกเลยก่อนจะไหลมันต้องเหลวขอนรู้สึกไหมเรียกเหลวไหลมันไม่ตั้งมั่นมันไม่เด่นดวงมันไม่เข้มแข็งนะมันอ่อนละทวยไปเงี้ยมันก็ไหลไหลไหลไปนะแต่ถ้าพวกไหลไปเพ่งเนี่ยจะแข็งนะพวกไหลหนีสเปสปานี่พวกเหลวไหลขาดสติพวกไปเพ่งอยู่นี่มีสตินะแต่สติจดจ่ออยู่กับการเพ่งเป็นสมถะนะ เพราะสมาทานเนี่ยจิตออกนอกไหมออกนอกจิตยังออกนอกอยู่ทั้งๆ ท, ที่จิตรวมนะแต่ถ้าทําเป็นนะจิตรวมไม่ออกนอกส่วนใหญ่ที่ทําสมาธิอ่พะพอใจัยสว่างขึ้นมาไปสว่างอยู่ข้างนอกนึก อ, ออกไหมจิตออกนอกนะถ้าภาวนาเป็นนะจิตรวมนี่รวมอยู่กับฐานมันเลยไม่ออกนอกถ้าจิตอยู่กับฐานใช้ได้นะจิตออกนอกใช้ไม่ได้ เนี่ยหลงทางใจมีมากที่สุดในบรรดาหลงทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงทางใจมีมากที่สุดทางใจที่หลงมากที่สุดหลงไปคิดงั้นไม่ต้องฝึกกรรมฐานมากเลยคอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดนะเท่ากับได้ดูบ่อยที่สุดแหละเพราะว่าเกิดบ่อยที่สุดจิตที่หลงคิดเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดเลยต่อไปนี้จิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันจะได้จิตที่ตั้งมั่นไม่ไหลเป็นคนรู้คนดูขึ้นมาแต่ก็ต้องมีเครื่องช่วย ปกติจิตของเราเนี่ยเคยชินที่จะไหลเมื่อมันเคยชินที่จะไหลมันจะไหลเก่งนะจิตนั้นมีธรรมชาติไหลไปตามความเคยชินในตําราสอนนะพี่ทำสอนนี้เลยจิตมีธรรมชาติไปตามความเคยชินของจิตจิตของเราเนี่ยหลงมาตลอดในสังสารวัตรไหลตลอดสังสารวัตรจะไม่ให้หลงไม่ให้ไหลนะทำไม่ได้หรอกนะต้องช่วยมันนิดหน่อยนะอาจจะอยู่กับพุทธโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับท้องพองยุบก็ได้แต่อยู่แล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไป ไม่ใช่อยู่กับพุทโธเพื่อบังคับจิตไม่ให้ไหลไม่ใช่อยู่กับลมหายใจอยู่กับพองยุบเพื่อบังคับไม่ให้จิตไหลอย่าไปบังคับมันถ้าบังคับเมื่อไหร่นะเครียดบังคับเนี่ยเพราะอยากดีใช่ไหมมีตันหาอยากอยากควบคุมอยากแทรกแสงแตันหามีเมื่อไหร่ความทุกข์มีเมื่อนั้นแหละเราแค่คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปนะหัดพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันดูท้องพองยุบจิตหนีไปคิดรู้ทัน ขยับมือทําจังหวะจิตนี้ไปคิดรู้ทันนะรู้อย่างนี้บ่อยๆรู้ซ้ําแล้วซ้ําอีกไปนะต่อไปจิตขยับตัวคลิกเดียวเห็นเองเลยคราวนี้อัตโนมัตินะสมาธิอัตโนมัติมันจะได้ขึ้นมานะ<ม>แต่สมาธิอย่างนี้เอาไว้เดินปัญญานะสมาธิเอาไว้พักผ่อนเป็นอีกแบบนะคนละอย่างกันสมาธิพักผ่อนไม่ยากอะไรอยากให้ขาดสตินะให้จิตน้อมไปอยู่ในอารมณ์ัเดียวที่มีความสุขเคล็ดลับอยู่ตรงที่ว่าต้องเป็นอารมณ์ัเดียวอันที่สองต้องเป็นอารมณ์ที่มีความสุข อันที่สมต้องมีการน้อมไปหาอารมณ์อันนั้นนะไม่ใช่สักว่ารู้สักว่าเห็นนะนั่งจะรู้ลมหายใจสักว่ารู้ว่าเห็นอยู่มันจะขึ้นทีปัสนาไปนวลมันไม่ทําสมถะนะนี่จับหลักให้แม่นนะที่หลวงพ่อพยายามสอนหลักของให้พวกเราแล้วเราภาวนาใช้วิธีอะไรก็ได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันเลยนะพวกทะเลาะ ก, กันว่าวิธีไหนดีวิธีไหนดีพวกไม่รู้หลักหรอกถ้ารู้หลักแล้ววิธีไหนก็ดีนะแต่ดีสําหรับบางคน คนนี้ดีวิธีนี้คนนี้ดีวิธีนี้ไม่เหมือนกันหรอกนะทางใครทางมันนะมาฝึกนะฝึกรู้สภาวะบ่อยได้สติฝึกรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลไปคิดนี่แหละตัวสําคัญนะพุโทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจะได้สมาธิขึ้นมาสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพอเราได้สติและสมาธิมาแล้วนะอย่าอยู่เฉย นะถ้าจิตมันรู้ตัวแล้วก็เฉยนิ่งอยู่องี้ให้น้อมไปคิดพิจารณากายนะคิดพิจารณากายก็ได้พิจารณาจิตที่ได้คิดเลยนะถ้าจิตติดนิ่งติดเฉยแต่ถ้าจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วไม่ต้องไปคิดให้เสียเวลาฟุ้งซ่านเปล่าๆดูของจริงดูสภาวะของรูปธรรมนามธรรมเขาแสดงไตรลักษณนะ์ตรงวิปัสสนาแท้ๆเนี่ยขึ้นมาตนที่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามนี่เอง ไม่ใช่ตรงที่คิดพิจารณากายนะพิจารณาเป็นปฏิคูณาสุภาอะไรนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยเรื่องสมถะเลยบางคนเข้าใจผิดนะว่าจะเป็นพระอริยะแต่และชั้นนี่ต้องคิดไม่เหมือนกันถ้าจะเป็นโสดานะต้องคิดร่างกายเป็นอสุภาอยากได้สกทาคาต้องคิดพิจารณาว่ากายนี้เป็นอนิจจังอยากจะเป็นพระนาคาต้องพิจารณาว่าร่างกายเป็นทุกขังอยากเป็นพระอราหารันต้องพิจารณาว่าจิตเป็นอนัตตาอย่างเงี้ย มีเงื่อนไขามากมายเลยนะไม่จริงนะพระอราหันต์เนี่ยบางท่านท่านบรรลุ ถ, ถึงที่สุดนะเพราะเห็นทุกนะบางท่านเห็นอนิจจังบางท่านเห็นอนัตตานะไม่ไม่ใช่เพียนเพียนอย่างนั้นหรอกการคิดพิจารณาเป็นการกระตุน้นไม่ให้จิตติดนิ่งติดเฉยหรอกเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและสติระลึกรูนะ้อัตโนมัติลงในกายสติระลึกรู้อัตโนมัติลงในจิต นะดูกายทํางานดูจิตทํางานด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยจิตที่เป็นกลางอย่าเข้าไปแทรกแซงนะนั่นแหละปัญญาที่แท้จะเกิดจะเกิดในฉับพลันนั้นเลยจะเห็นเลยรูปธรรมที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเรานมามธรรมที่จิตไปรู้เข้านั้นไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีไม่ใช่ต้องปีหน้าถึงจะเห็นะใครเคยเห็นบ้างว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราใครเห็นบ้างยกมือสิมีไหมโอ้เยอะนะใครเห็นว่าเวทนาไม่ใช่เราบ้างมีไหมใครเคยเห็นว่า สังขารความปรุงดีปรุงชั่วไม่ใช่ตัวเรามีไหมมีเยอะอยู่ใครเห็นว่าจิตเนี่ยเกิดดับได้ทางทวารทั้งหกใครเคยเห็นตัวนี้ยกมือสิโอ้เห็นได้แล้วจะทำอะไรต่อทำให้มากกสิทำให้มากกสิเห็นแล้วนี่เห็นรูปนามทั้งหลายนะกระจายตัวไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเห็นแล้วเห็นอีกนะดูแล้วดูอีกนะอย่ากลัวว่าจะไม่บรรลุมรรคผลเลยถ้าไม่บรรลุก็ไม่เป็นไร ชาตินี้ไม่บรรลุชาติต่อๆไปก็บรรลุเองบางคนกังวล น, นะเป็นพระโพธิสัตว์หรือเปล่าหน้าทาไมภาวนาไม่ดีไม่บรรลุสติเรามองหน้าแว็บนี่ไม่ใช่โพธิสัตว์หรอกนี่สัตว์เหลวไหลขี้เกียจหรอพอภาวนาไม่ได้บอกเป็นโพธิสัตว์พวกนี้ก็มีนะโพธิสัตว์เหลวๆไหลายๆไม่มีหรอกโพธิสัตว์ จ, จริงๆไปด้วยมหาการุณานะใจกรุณาคนอื่นไม่ใช่อยากใหญ่อยากโตอยากเด่นอะไรหรอกใจอยากสงสารอยากช่วยคนเยอะ งั้นเวลาภาวนาเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าเราเป็นพระโพธิสัตว์หรือเปล่าภาวนาให้เต็มที่ยิ่งเป็นโพธิสัตว์ต้องยิ่งขยันภาวนาโพธิสัตว์หลอยถ้วยแล้วจะเอาอะไรไปสอนคนอื่นเขาเห็นไหมต้องรีบทําให้เต็มที่เลยนะศีล ส, สมาธิปัญญาทําให้เต็มที่เลยพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยจิตมันจะแยกเองใครจะเดินไปพุทธภูมินะใครเห็นเอื้อมระอาในความทุกข์ของสังสารวัฏก็จะพลิกเข้าไปสู่สาวกภูมินะ ใครเกิดมาหากรุณาขึ้นมาเรียพลิกไปสู่พุทธภูมินะไม่ต้องไปกังวลตอนนี้เรากตอนนี้ภาวนาให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นสาวกภูมิหรือพุทธภูมิก็ต้องทําให้เต็มที่เหมือนกันยิ่งจะเป็นพุทธภูมินะภาวนาขี้เกียจขี้คลานจะไปได้กินอะไรพออย่างวันนี้เทศดูเดือดไปไหม <c oughs> ไหนๆก็ส่งท้ายวันนี้เข้าคอร์สวันที่สามยาวแต่ทําสมาธินะสมาธิโง่ๆไม่เอานะ ต้องทาสมาธิพักผ่อนพอมีเรี่ยวมีแรงพอจิตใจแช่มชื่นแล้วต้องมาเดินปัญญานะวิธีเดินปัญญาก็คือถอนตัวออกมาเป็นคนดูเห็นปรากฏการของรูปธรรมนำมารมก็ทําทงานไปด้วยเขาจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดนะูต้องเดินอย่างนี้นะดูเจริญปัญญาไปช่วงหนึ่งจิตหมดแรงกลับมาทําความสงบใหมนะ่กลับมาอยู่กับพุโทโธมาอยู่ลมหายใจมาอยู่นะไม่ใช่ไปแยกออกมาอีกนะ ให้มันรู้เคล้าอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุโทโธให้จิตสดชื่นเติมน้ำมันก่อนมีเรี่ยวมีแรงแล้วถอยตัวออกมาเป็นคนดูแยกธาตุแยกขันต์ต่อไปอีกนะไม่ใช่สงบหนึ่งปีนี้ก็สงบปีหน้าก็สงบอีกชาติหน้าก็อยู่ที่อีก น, นะไม่เคยฝึกเดินปัญญาไม่ได้กินหรอกนะฝึกเอานะไม่ยากเท่าที่คิดหรอกยากคนอื่นเขาก็ทาไม่ได้สิ ทำไมพระโมคคัลลาสาลิบุตรท่านยังทำได้เลยแล้วเราจะทำไม่ได้เนาะเอ้ยยกมากไปถ้าทำฮะเอางั้นเลยเหรอแต่เดิมทุกท่านน่ะเขาก็มีกิเลสอย่างเราแหละนะแต่ทังพระพุทธเจ้าเราแต่เดิมท่านก็มีกิเลสเหมือนเราแหละแต่ท่านไม่ลดละในการทำความดีงามนะพักเพียรละชั่วทำดีทำจิตพองแผ้วพัฒนาไปเรนะื่อยถึงวันหนึ่งท่านก็ได้ ได้ผลอันสมควรกับของท่านเรือแต่เรานะเรารู้ทางที่ท่านบอกเราแล้วก็พัฒนาจิตให้สมควรแก่ธรรมะนะฟังเราเหยาะเยะใหญ่ ใ, ญใญไม่ทำไม่ได้เรื่องหรอกนะต้องขยันนะพักเพียรเอาอเชิญไปทานข้าว